ผู้สมญานามว่าเป็นภิกษุพระพุทธภาษิตสัพพโสนามรูปัสัมิงยัสสนติมะมายิตังอัสตาจะนโสโจติสเสเิภิขูติวุตติแปลว่าความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ท่านผู้ใดและผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีนามรูปนั้น ผู้นั้นแหลเราเรียกว่าภิกษุนามรูปคือขันหะกล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นนามส่วนรูปคงเป็นรูปโดยปกติคนสามัญทั่วไปมักยึดมั่นในนามรูปว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราความทุกข์ย่อมติดตามมาเพราะความยึดมั่นนั้นโดยความเป็นจริงแล้ว นามรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่มีตัวตนตามนัยยะที่แสดงในอนัตตลกคณะสูตรความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นต้นเป็นอนตาแล้วมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตามันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและห้ามไม่ได้ว่า ย่อเป็นอย่างนี้เถิดอยากเป็นอย่างนั้นเลยอริยสาวกรู้อย่างนี้แล้วย่อมนายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นญาณว่าหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นและรู้ต่อไปว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสิ่งที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้คือไม่มีกิจจะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกบุคคลผู้รู้แจ้งในานามรูปว่ามิใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนย่อมไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีนามรูปเพราะปัศจาความยึดมั่นถือมั่นแล้วเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปราบรพรามชื่อปัญจคหายกวงเล็บผู้ให้ส่วนที่เลิ่อาครั้งมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ พราหมณ์นั้นย่อมถวายทานอันเลิศในนาปงเล็บเขตตะคะทานคือถวายทานครั้งหนึ่งเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จถวายทานอันเลิศในลานคือในเวลาขนข้าวเข้าลานถวายทานอันเลิศในเวลานวดถวายทานอันเลิศในเวลาเทเข้าวสารลงในหม้อข้าวและถวายทานอันเลิศในเวลาที่ตนคดข้าวใส่ภาชนะ พรามเมื่อยังไม่ให้ทานแก่ใครๆก่อนแล้วย่อมไม่บริโภคเองวันหนึ่งพระศ า, ศาสดาทรงเห็นุปนิสัยแห่งผลสามวงเล็บคือโซดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลของพราม์นั้นพร้อมทั้งพรามมณีจึงเสด็จไปในเวลาพราม์นั้นบริโภคประทับยืนที่ประตูเนื่องจากพรามนั้นนั่งบริโภคอยู่ที่ประตูหันหน้า ไปในเรือนจึงไม่เห็นพระาศาสดาผู้ประทับยืนอยู่ข้างหลังของเขาฝ่ายพรามณีปรนิบัติสามีอยู่เห็นพระาศาสดาแล้วคิดว่าถ้าพราหมณ์เห็นพระสมณะโคดมเขาจาักถวายอาหารน้เสียเราไม่ต้องการหุงใหม่เราจะทำโดยประการที่พราหมณ์จักไม่เห็นพระสมณะโคดมดังนี้แล้วจึงอ้อมไปยืนอยู่เบื้องหลังของพราหมณ์พระาศาสดา ความหมายคือการไปอยู่เบื้องหลังของพราหมณ์เพื่อบังพระศาสดามิให้พราหมณ์นั้นเห็นการกระทําของนางประการหนึ่ง เ, เป็นประหนึ่งว่าเอาฝ่ามือของตนบังดวงจันทร์ไว้นางไม่กล้าทูลพระศาสดาว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเพราะเกรงพราหม์จะได้ยินนางจึงเดินห่างาพราหมณ์ออกไปและไปะยังที่ใกล้พระศ า, าสดาพูดเบาๆว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระเจ้าค่ะ พระศาสดาทรงสรรพระเศียรเป็นทํานองว่าไม่ไปเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลกทรงสรรพระเศียรเป็นทํานองว่าไม่ไปดังนั้นนางพรามณีก็มิอาจกั้นหัวเราะได้จึงหัวเราะดังลั่นขึ้นขณะเดียวกันนั่นเองพระศาสดาทรงเปล่งพระสมีตรงไปยังเรือนของพรามพรามได้ยินเสียงหัวเราะของพรามณีและ เห็นแสงสว่างจากพระรัศมีอันมีพันละหกของพระศาสดาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อยังไม่ได้แสดงพระองค์แก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยเหตุคืออุปนิสัยในบ้านหรือในป่าแล้วย่อมไม่เสด็จตรีไปพราหมณ์เห็นพระศาสดาแล้วพูดกับพราหมณีผู้เป็นภรรยาว่าเธอไม่บอกพระราชบุตรผู้มายืนอยู่ที่ประตูแก่เราเธอทาให้เราชิบหายเสแล้ว เธอทำกำหนักเสร็จแล้วดังนี้แล้วถือเอาโพชนะที่ตนบริโภคแล้วครึ่งหนึ่งเข้าไปหาพระศาสดากราบทูลว่าข้าพระองค์ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้งห้าแล้วจึงบริโภคแก่แต่พัฒนี้ข้าพระองค์บริโภคไปครึ่งหนึ่งแล้วขอพระองค์ได้โปรดรับส่วนที่เหลืออยู่นี้เถิดอย่าได้ทรงรังเกียจเลยพระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัสเลยว่าเราไม่ต้องการอาหาร อันเป็นส่วนเหลือเดนของท่านแต่ตัดว่าพราหมณ์ส่วนอันเลิศก็ดีพัดที่ท่านบริโภคเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี้ก็ดีอาหารที่เป็นเดนก็ดีเป็นของสมควรแก่เราทั้งสิน้นเพราะพวกเราห่วงเล็บสมณะสากยบุตรเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้เช่นเดียวกับพวกเปรต ด, ดังนี้แล้วตัดต่อไปว่าภิกษุอาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีพ ได้ก้อนพัดใดอันเป็นส่วนที่เลิอดก็ตามส่วนปานกลางก็ตามส่วนที่เหลือก็ตามไม่ควรชมก้อนพัดนั้นและไม่ควรติเตียนก้อนพัดนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีพราหมณได้ฟังพระพุทธดํารัสแล้วเลื่อมใสยิ่งนักกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริจรจรงๆพระราชบุตรหาได้ตัดว่าอาหารนี้เป็นเดนเราไม่ต้องการไม่แต่ตัดถ้อยคําที่ไพเราะยิ่งนัก เขายืนอยู่ที่ประตูนั่นเองทูลถามปัญหากับพระศาสดาว่าพระองค์ตรัดเรียกภาษาพวกว่าเป็นภิกษุก็ด้วยเหตุเพียงเท่าใดเล่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุพระทศพลทรงให้ควรว่าธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงเป็นเครื่องสบายแก่ชนทั้งสองนี้ทรงทราบว่าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชนทั้งสองนี้ได้ฟังคาของภิกษุทั้งหลายว่า นามรูปเราควรแสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วยนามรูปดังนี้แล้วตัดว่าพราหมเราเรียกบุคคลผู้ไม่กำหนัดไม่คล่องอยู่ในนามรูปว่าเป็นภิกษุภาษากยะมุนีตัดต่อไปว่าสัพพโสนามรูปรสมิงเป็นอาธิมีในยะะังปานานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนทั้งสองนั้นได้บรรลุอนาคามิผล นี่ก็เป็นข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับโยมก็คงได้ข้อคิดอันหนึ่งเหมือนกันนะมีโยมก็เคยถวายของเหมือนกันนะคือส่วนมากแล้วก็จะคิดอาหารที่เลิศนะถวายแก่ผู้ทรงศีล น, นะอาหารที่บริโภคแล้วไม่สมควรแก่ผู้ทรงศีล น, นะบางทีความคิดลักษณะนี้ก็เป็นความคิดที่ประเสริฐอยู่นะแต่บางครั้งบางคราวใช้ไม่เหมาะ แก่กาลเทศะก็เป็นการปิดกั้นบุญอของตนได้เหมือนกันเนี่ยดังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างก็ทำให้เราได้คิดเหมือนกันเนี่ยพระเจ้าท่านไม่ส่งสรรเสริญและติเตียนเนี่ยพัดหรื อ, อบินทบาททา น, นหรืออะไรก็ตามที่เขาให้จะเป็นของใช้แล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ย เ, เมื่อจิตเริ่มใส พอใจที่จะให้นะของนั้นก็สมควรแก่ภิกษุสําหรับผู้มักน้อยสันโดษอยู่แล้วนะภิกษุผู้ยินดีพอใจในบางสกุลในสิ่งของที่เป็นบางสกุลคือของเขาทิ้งแล้วนะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องได้ของที่เลิศประเสริฐที่ชาวโลกเข้าบริโภคกันภิกษุเป็นผู้ที่ละทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างเนะี่ยของที่เขาทิ้งแล้วของที่เขาให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นคือเป็นของบางสกุลเนี่ย นี่ก็เลยไม่ได้ถือเรื่องนี้มีครั้งหนึ่งเดินทุดงไปเนี่ยโยมก็ฮะอะไรจะถวายกู ไ, ได้ยากถวายก็อยากถวายเนี่ยเขาคว้าไปคว้ามาเอาของมาดือมันก็ไม่มีของใหม่เนี่ยพอดีมันมีอันหนึ่งเขาเขาใช้แล้วเป็นแปรงซีฟันที่มันกระทัดรัดเก็บพับได้นี่เขาก็หยิบแล้วหยิบอีก เ, เขาว่ามันจะเหมาะสมไหมคะจะ ถ, ถวายอันนี้ก่อน อยากจะถวายก็อยากจะถวายแต่ก็เปิดเผยความในใจว่าแต่ดิฉันใช้แล้วนะคะไม่รู้มันจะเป็นบาปหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหรอกโยมนะจิตเมื่อพร้อมที่จะให้ศรัทธาที่จะให้แล้วเนะี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกนั้นยืจิตดีแล้วจิตดีแล้วก็รักษาจิตของตนให้ดีก็แล้วกันนะส่วนทยทานนั้นจะปาณนี้หรือไม่ปานี้อันนั้นไม่ใช่ส่วนสาคัญแต่มันสาคัญอย่างที่ความศรัทธาความตั้งใจของเรานะ ก็เลยรับให้เขานบอกว่าเป็นไรหรอกตามาใช้ของบางสกุลได้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยรับให้เขา แ, แม้พระเจ้าของเราเองท่งานก็ไม่รังเกียจเห็นไหมพอศรัทธาก็เต็มที่ด้วยอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อให้บุญเขาจเจริญยิ่งขึ้น น, นั่นเป็นการสงเคราะห์อยู่ในตัวเนี่ยแม้เขาบริโภคแล้ว เ, เขาไม่ได้ตั้งใจนแต่เขาไม่เห็นต่างหาก ถ้ามีของดีถ้ารู้ล่วงหน้าก็ให้ดีกว่านั้นแต่ในขณะนั้นอยากทำแต่มันไม่มีเนี่ยของบริโภคไปแล้วนะแต่แต่ว่ามันเหลือบริโภคคงไม่ถือว่าเป็นของเป็นเดนเนะก็เลยถวายเห็นไหมเนี่ยนี่เรื่องนางทาสีก็เหมือนกันเนี่ยนางทาสเีเก็บข้าวไว้กินด้วยตนเองเนะจีเข้าจี่ไว้ก็เอาใส่ชายพกไปตําข้าวให้เจ้านายนะพระศ า, าสดาเสด็จผ่านไปกับพระอานนุน อพอเห็นแล้วก็แม่ศรัทธาไอ้เราก็เป็นทาสีเป็นคนใช้ของเขาไม่มีโอกาสได้ทําบุญทํากุศลเนี่ยนึกไปนึกมาจะเอาอะไรนาะถวายเพื่อจเจ้าดีเนี่ยนึกหาอะไรไม่เจอนึกถึงข้าวที่ตนจี่เอาไว้แล้วก็ใส่ชายพกไว้ใส่ผ้าถุงชายพกไว้ก่อนนึกเอาอันนี้แหละใส่บาทให้พระพุทธองค์ก็แล้วกันเนี่ ย, น, ยนึกได้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดพิจารณาอะไรให้รอบคอบมากมายเนี่ยคิดอยากทําบุญอย่างเดียวก็เลยหยิบข้าวจี่ไปเนี่ย ไปก็จะถวายพระองค์ก็เปิดบาทรับเปิดบาทรับไม่ได้รังเกียจเลยเนะียเหมือนเราดูพระพุทธเจ้าหรือพุทธเทียนั่นนะที่พระองค์กลับไปโปรดพยาตเนะี่ยแล้วไปรับอาเรียนคนยากจนใส่มันให้ลูกหนึ่งเนี่ยนี่ลักษณะนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเวลานางใส่ไปแล้วเนะี่ยวิตกทีหลังเนะี่ยพอพระพธองค์รับแล้วก็เดินไปกับพระอนุหานนางวิตกนะ บินทบาทผ่านอาหารผ่านของเรานี่ไม่ปราณีตเลยเนี่ยพระองค์เป็นถึงกษัตริสุขุบาลราชนอ่าเรียกว่าเป็นกกรูปกษัตริย์แล้วก็เป็นถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพระองค์จะสมควรจะบริโภคอาหารที่เราให้เนี่ยจากมือทาสีนี้มันจะพระองค์จะฉันให้หรือวิตกเกิดวิตกคิดสรุปเอาเองว่าท่านคงไม่ฉันให้หรอกท่านคงรับเพื่ออ สนองน้ำใจเฉยๆเนี่ยความวิตกอันนี้ก็เลยทำให้พระองค์รับรู้รับรู้ว่าเออจิตของนางจะเป็นอกุศลแล้วนพระองค์เพื่อจะสงเคราะห์แม่นางทาสีนี่เมื่อรู้ว่ารกจิจของนางที่คิดแต่งั้นก็เลยบอกพระอนุนานท์นนปู่้านิสิธนะให้เราสิตรงล่มไม้นี่แหละซึ่งนางก็มองอยู่ เ, เออพอปูเสร็จก็วางบาทลงก็ฉัน ข้าวจี่ที่นางเอาออกจากสายพกนั้นให้พอเห็นดังนั้นความปีติขึ้นท่วมท้นในจิตใจนางก็บ่นว่าบุญเต็มที่เลยนะว่าเห็นพระองค์โอ้ยเลื่อมใสามากปีติในธรรมจิตผองใสเบิก บ, บานนะก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นคือการทรงเคราะห์ที่พระองค์ทรงไม่ได้เลือกนะว่าเป็นคนชั้นต่ําชั้นสูงอาหารปลาหนี่หรือเหลวอย่างไร ในการสงเคราะห์นั่นก็คือด้วยพระเมตตาของพระพุทธองค์อันนี้ก็เป็นข้อคิดเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วเสด็จทอดให้แก่ภาษาบอกมีคำหนึ่งที่พระองค์ว่าอย่าดูถูกบินทบาทฐานว่าเลวหรือปรานีตเนี่ยเพราะเราเลี้ยงชีพด้วยการให้การให้เคารพในฐานอันนี้ก็เป็นความเด่นอันหนึ่งของ ภิกษุผู้เป็นสาวกหรือสาวิกาเจ็ดผู้อยู่ด้วยเมตตาพระพุทธภาสิทเมตตาวิหารีโยพิกุปสัรโนพุทธศสาสเสนอธิขเฉปทังสันตังสังคารูปะสมังสุขังปฏิสันทาระ วุตยสสะอาจาระกุสโลสิยาตะโปปาโมตฉ ะ, ะหุโลทุกขสันตังกิตเตะแปลว่าหนึ่งภิกษุใดอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใส ย, ยิ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุนั้นย่อมบรรลุสันตบทอันเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข 2. ภิกษุ ท่านจงวิตเรือนี้เรือที่ท่านวิตแล้วจากพันถึงบวงเล็บผ้าท่านตัดราคาโทสะเลมโมหะแล้วจากพันถึงพระ น, น, นิพพาน 3. พึงตัดสังโยชตเบื้องต่ำห้าพึงละสังโยชตเบื้องสูงห้าพึงยังทาห้า ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปล่วงกิเลสเครื่องข้องห้าเสียได้เราเรียก บ, บูคลเช่นนั้นว่าข้ามโอคะได้แล้ว 4. ภิกษุท่านจงเพ่งฌานอย่าประมาทจิตของท่านอย่าหมุนไปในการมคุณท่านอย่าประมาท ก, กินก้อนโลหะอย่าเป็นผู้ถูกกรรมเผาอยู่คร่ำครวรว่านี่เป็นทุกข์นอ 5. หาฌานย่อมไม่มีแกผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแกผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นอยู่ใกล้พระนิพพาน 6. ความพอใจอันไม่ใช่เป็นของมนุษย์ธรรมดาวงเล็บอามานุสีรติย่อมมีแก่พิกษุผู้เข้าไปสู่สูนยาคารวงเล็บที่ปราชจากบ้านเรือนผู้มีจิตสงบแล้วผู้เห็นธรรมโดยชอบ 7. ในการใดภิกษุพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแห่งขันทั้งหลาย ในการนั้นเธอย่อมได้ปีติปรามโมทความได้ปีติและปรามโมทนั้นเป็นอมตะของท่านผู้รู้ทั้งหลาย 8. การคุ้มครองอินทรีย์หนึ่งสันโดษหนึ่งความสำรวมในปาติโมกหนึ่งเป็นเบื้องต้นในอมตะธรรมนั้นย่อมมีแก่ภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้ 9. ท่านจงคบมิตรที่ดีผู้มีอาชีวบริสุทธิ์ไม่เกียรตค้าน ภิกษุเพงเป็นผู้ประพฤติในปฏิสันฐานเพีงฉลาดในอาจาระคือมารยาทเหตุทั้งสองนั้นทำให้ท่านมีปราโมทมากจากทําที่สุดแห่งทุกได้อธิบายในพระคาถาที่หนึ่งผู้อยู่ด้วยเมตตาคืออยู่ด้วยความหวังดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นทั่วหน้าไม่คิดเบียดเบียนพยาบาทใครเขาเป็นผู้เลื่อมใสในคาสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง เขาเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้มีเมตตากรุณาหวนใจในความทุกข์ของผู้อื่นไม่เบียดเบียนเขาเลื่อมใสเชื่อในคำสอนเช่นนั้นพยายามปฏิบัติตามเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมบรรลุสันตบทคือทางแห่งผู้สงบแล้วทางนั้นเข้าไปสงบประงับสังขารก่อให้เกิดสุขกล่าวคือนิพพานสุขในพระคาถาที่สองเรือที่ทรงให้วิย คืออัตภาพให้วิทน้ำคือมิจฉาวิตกกล่าวคือกามพยาบาทและวิหิงสาอันเป็นเหมือนน้ำที่ขังอยู่ในเรือคืออัตภาพนี้เมื่อวิทย์คือเอาออกแล้วจักถึงฝั่งคือพระนิพพานโดยเร็วอันหนึ่งยังมีราคะโทสะและโมหะอันเป็นเสมือนเชือกผูกเรือไว้ทรงสอนให้ตัดเชือกนั้นแล้วปล่อยเรือใช้ความเพียรเป็นฝีพายใช้สติเป็นหางเสือ ไม่นานนักเรือจกถึงฝั่งตามปรารถนาในพระคาถาที่สตัดเบื้องต่ำหคือตัดสังโยชน์เบื้องต่ำวงเล็บโอลัมพาคียะสังโยชน์5ได้แก่สักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตะปรามาสการมราคะปฏิฆะและเบื้องสูงหวงเล็บอุทธามพาคิยะสังโยชน์ได้แก่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชา ยังทำห้าอย่างให้เจริญคือยังอินทรีห้าให้เจริญอินรีห้าคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาพระห้ก็เรียกส่วนกิเลสเครื่องข้องห้าอย่างนั้นท่านหมายเอาราคะโทสะโมหะมารนะและทิฏฐิบุคคลใดตัดกิเลสเครื่องข้องห้าอย่างนี้ได้ตัดสังโยชน์เบื้องต่ําและเบื้องสูงได้อบรมทำห้าอย่างคืออินรีห้าให้เจริญเต็มที่ บุคคลนั้นย่อมสามารถข้ามโอคคคือวัตตะสงสารได้ในพระคาถาที่4จงเพ่งคือจงมีฌาน4หรือฌาน8อันหนึ่งหมายถึงฌานสองลักษณะคืออารมณ์นูปนิสตฌานเท่ากับมีสมถะเป็นอารมณ์และลักคนูปนิฌานเท่ากับฌานมีพิปปัสนาเป็นอารมณ์ อย่าประมาทคือจงมีสติทุกเมื่อควบคุมกา ย, ยา ก, กรรมวจิกรรมและวโนกรรมอย่าให้จิตหมุนไปตกไปในการรมคุณห้าคือความกำหนัดพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะอันเป็นเหยื่อของมารเป็นพวงดอกไม้ของมารอย่าต้องกลืนกินก้อนโลหะเพราะตกนรกจำต้องกลืนกินก้อนเหล็กแดงในนรกนั้นถูกวิบากกรรมชั่วแผดเผาอยู่ต้องข้าครวญว่านี่เป็นทุกข์หนอ ในพระคาถาที่ห้าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาคือไม่มีปัญญาในการตรองเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ฌานสมาบัติก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อันหนึง่งปัญญา ย, ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานคือเมื่อไม่มีฌานได้แก่สมาธิปัญญาอันเป็นโลกุตระก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะปัญญาเช่นนั้นย่อมอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐาน สมดังพระพุทธภาศิทธว่าสมาฮิโตยะถาภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงยังมีอีกพระองค์ตรัสว่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากวงเล็บสมาธิปริภาวิตาปัญญามหผราโหติม ห, มหนิสังสาบุคคลใดมีฌานและปัญญาอยู่พร้อมในตนรวมความว่ามีทั้งสมาธิและปัญญา บุคคล น, นั้นดำรงตนอยู่ใกล้นิพพานในพระคาถาที่หอมานุสีรติแปลว่าความยินดีหรือความพอใจอันไม่ใช่เป็นวิสัยแห่งมนุษย์ธรรมดาหมายความว่าความพอใจอันปฏิสังยุตด้วยฌานวิปัสสนามักผลนิพพานความพอใจของมนุษย์ธรรมดามักอิงอาศัยกามอิงอาศัยความโลภ ส่วนความพอใจอันปฏิสังยุต์ด้วยฌานวิปัสสนามักและผลนั้นย่อมมีแก่ท่านผู้เข้าไปสู่ที่สงัดหรือสุญญาคารมีจิตสงบและเห็นธรรมโดยชอบเท่านั้นในพระคาถาที่7ข้อว่าพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแห่งขันทั้งหลายนั้นอธิบายว่าซึ่งความเกิดขึ้นแห่งขันโดยลักษณะ25และความเสื่อมแห่งขันหโดยลักษณะ25เหมือนกัน เชิงอัดแห่งอัธกถาธรรมบทฉบับกองตำรามหาวกุฏราชวิทยาลัยอธิบายลักษณะย5หแห่งการเกิดและการดับของนามรูปไป ว, ว่ารูปเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาหนึ่งตัณหาหนึ่งกรรมหนึ่งอาหารหนึ่งความเกิดขึ้นของรูปอย่างเดียวไม่อาศัยเหตุปัจจัยหนึ่งในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่ประการที่5คือความเกิดขึ้นของเวทนาหรือสัญญา หรือสังขารหรือวิญญาณอย่างเดียวไม่อาศัยเหตุปัจจัย 5,5 เท่ากับยส่วนว่าโดยลักษณะความเสื่อมของรูปเป็นต้นมีนัยะตรงกันข้ามคือรูปเสื่อมเพราะไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีอาหารและรูปเสื่อมไปโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยเมื่อพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแห่งขันทั้งหลายอยู่ย่อมได้ปิติปราโมทย์ในธรรม อธิบายตามอริกถฐานัในยะต่อไปว่าเมื่อนามรูบพร้อมทั้งปัจจัยปรากฏตั้งขึ้นปีติและปราโมทที่เกิดขึ้นแล้วนั้นชื่อว่าเป็นอมตะของท่านผู้รู้ทั้งหลายเพราะปีติปราโมทนั้นเป็นธรรมให้สัตว์ถึงอมตะมหานิพพานรวมความว่าอาศัยปีติปราโมทในธรรมเป็นบาตแล้วข่มปีติปราโมทนั้นเสียยกกิจขึ้นสู่วิปัสสนา สำแรกกิเลสด้วยวิปัสนาปัญญาจนกระทั่งดำรงอยู่ในอรหัต ภ, ภูมิในพระคาถาที่8ถามว่าอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอมตะธรรมตอบว่าธรรมสมอย่างคือการคุ้มครองอินทรีย์หนึ่งสันโดษหนึ่งการสำรวมในปาติโมกหนึ่งธรรมทั้งสามนี้ได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องอื่นแต่ต้นในพระคาถาที่9ทรงเตือนให้คบมิตรที่ดีคือมิตรที่มีศีล มีธรรมมีอาชีวะหรืออาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียดคร้านทรงสอนให้เคารพในปฏิสันฐานสองคืออามิตรปฏิสันฐานและธรรมปฏิสันฐานกล่าวคือต้อนรับด้วยอามิตรวงเล็บคือปัจจัยสีตามควรและต้อนรับด้วยธรรมกถาคือการพูดธรรมพูดแนะนำพร่ำสอนทรงเตือนให้เป็นผู้ฉลาดในอาจาระคือความประพฤติหรือมารยาทเป็นผู้รู้ว่า ควรประพฤติอย่างไรควรทำตนอย่างไรในสังคมนั้นๆบุคคลผู้มีปฏิสันฐานดีและมีมารยาทย่อมประสบ ป, ปีติปราโมทเป็นอันมากคือบันเทิงในธรรมจากธรรมที่สุดแห่งทุกได้คือทำทุกให้สิน้นสูญได้เรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งเมื่อพระกัจจายณนะวงเล็บ เรียกพระมหากจายนะบ้างพักอยู่ที่ปวัตตบันพศวงเลปูเขาชื่อปวัตตะใกล้นครกุระระกระเขตอวันตีชนบุตรหรือแคว้นอวันตีครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งชื่อโซนกุติกันนะเรื่อมใสในธรรมกถาของท่านปรารถนาจะบวชในสำนักของพระกจายนะนั้นอ้อนวอนขอบวชพระเถระห้ามถึงสองครั้งว่า โซนะพรหมจรรย์ น, นี้มีพัดหนเดียวคือบริโภคอาหารหวันละครั้งนอนผู้เดียวตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่บุคคลทําได้โดยยากโซณกุติกันนะแม้ฟังพระเถระพรณนาถึงความลําบากแห่งบรรพชาอยู่ก็คลายอุตสาหะไม่แต่กลับมีอุตสาหะมากขึ้นมีอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการบรรพชาจึงอ้อนวอนพระเถระอีกเป็นครั้งที่สและได้บรรพชาในครั้งนั้น อีก3ปีต่อมาจึงได้อุปสมบททางนี้เพราะในทักษิณาปต ะ, ะชนบทมีภิกษุน้อยไทยคนมกแคนทางใต้ของอินเดียหรืออินเดียใตย้ต้องคอยภิกษุให้ครบจำนวนจึงอุปสมบทได้เมื่อพระโสนนะอุปสมบทแล้วใครจะไปเฝ้าพระาศาสดาจึงอำลาพระอุปชายะนำข่าวที่พระอุปชายะให้แล้วไปสู่เชตวันโดยลำดับ ถวายบังคมพระาศาสดาได้รับการปฏิสันฐานจากพระองค์ด้วยดีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้อยู่ในพระคันธกุฎีที่ประทับของพระองค์เองคือพักอยู่ในที่พักแห่งเดียวกันในระยะต้นๆแห่งราตรีท่านพระโสณนาะพักอยู่ภายนอกพระคันธกุฎีคือพักอยู่ในที่แจ้งหรือภาษาบาลีว่าอัชโชกาดแล้วเข้าไปพักในพระคันธกุฎีส่วนที่จัดไว้เพื่อตนเวลาใกล้รุ่ง พระาศาสดาทรงขอร้องให้พระโสณนะสวดพระสูตรบางสูตรพระโสณะได้สวดพระสูตรหมดด้วยกัน16สูตรโดยทํานองสารพันยะวงเล็บคือสวดออกเสียงเป็นทํานองมีจังหวะพอควรอันจัดเป็นอัฏฐกะวรคิกะคืออยู่ในอัฏฐกะวร์แห่งกุทธกนิกายสุตตนิบาตพระาศาสดาทรงสดับแล้วทรงประทานสาธุการแก่ท่านสาธุสาธุ พวกกุมมเทพนาครุตได้ฟังสาธุการของภาษาสดาแล้วก็เป่งเสียงสาธุการด้วยเสียงนั้นติดต่อเป็นอันเดียวกันไปจนถึงพรหมโลกขณะนั้นเทพที่ดาผู้สิงสถิตยอยู่ในเรือนของมหาอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของพระเถระในกุรรณรคะนครอันไกลจากวัดเชทวันถึง120โยชี่โยก็ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังเหมือนกัน มหาอุบาสิกาจึงถามว่านั่นใครให้สาธุกการเราเองน้องหญิงเทพธิดาตอบท่านเป็นใครเราคือเทพธิดาผู้สถิตยอยู่ในเรือนนี้เมื่อก่อนท่านไม่เคยให้สาธุกการเลยวันนี้ทำไมจึงให้เราไม่ได้ให้สาธุกการแก่ท่านท่านให้สาธุกการแก่ใครเราให้แก่บุตรของท่านพระโสนกุติกันนะบุตรของเราทาอะไรเทพธิดาเล่าเรื่องทังปวงให้อุบาสิกาฟัง นางถามย้ำอีกว่าบุตรของเราแสดงธรรมแก่ภาษาสดาหรือภาษาสดาส่วนแสดงธรรมแก่บุตรของเราเมื่อเทพธิดายืนยันอีกว่าบุตรของท่านแสดงธรรมแด่พระศาสดาดังนี้ปีติห้าประการเกิดขึ้นแก่อุบาสิกาแผ่ซ่านไปทั่วสรีระนางคิดว่าเมื่อบุตรของเราแสดงธรรมแก่ภาษาสดาได้เธอก็จะแสดงธรรมแก่เราได้เหมือนกันเมื่อใดบุตรของเรามาถึงเราจัก ฟังธรรมแห่งบุตรของเราพระโสนทูนขอพอรห้าประการฝ่รายพระโสนเถระเมื่อพระาศาสดาทรงประธานสาธุการแล้วคิดว่าเวลานี้สมควรที่จะกราบทูลข่าวที่พระอุปชายยะให้มาดังนี้แล้วทูลขอพอรห้าประการพรหประการคือหนึ่งการขออนุญาตผสมบทกุณบุตรด้วยจำนวนสงเพียงหรูปเพราะทักกิ น, นาปะตะชนบทภิกษุหายาก สอขอให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้เพราะทักษิณาปะทะหรือทักษิณาสนบทพื้นที่คุกระสขอให้อาบน้ำได้เนือนิดเพราะหาน้ำได้ง่าย 4. ขอให้ใช้เครื่องปูลาดที่ทำด้วยหนังได้เพราะหนังหางาห่าย 5. มีมนุษย์สั่งถวายจีวรแก่ภิกษุที่อยู่นอกสีมาภิกษุผู้รับสั่งจึงมามอบให้เธอรับ แต่เธอรังเกียจไม่ยอมรับด้วยกลัวเป็นนิสกีขออย่าให้เป็นนิสกีมหาวัดพระไตรปิฎกเล่มที่หหน้าที่34ตามคำขอของพระมหากจจยนะเถระผู้เป็นอุปชาพระพุทธองค์ทรงประทานพอรอหประการนั้นเพราะในชนบทปลายแดนตามคำขอแล้วพระสนะพำนักอยู่ในสำนักของพระศาสดาต่อมาอีกสองสาวันแล้วทูลลากลับไปยังประวัตบรรพศ สำนักของพระอุปชาวันรุ่งขึ้นพระเถระพาพระโสนไปบินทบาทไปถึงประตูเรือนของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของท่านอุบาสิกาเห็นบรแล้วดีใจไหว้แล้วอังคาดโดยเคารพถามว่าพ่อคุณโยมทราบว่าเมื่อไปเมืองสาวัตถีพ่อคุณพักในพระคันตะกุฎีเดียวกับภะษาสดาและแสดงธรรมแก่ภษาสดาจริงหรือ ใครบอกเรื่องนี้แก่โยมเทพธิดาบอกพ่อคุณอุบาสิกากล่าวต่อไปเมื่อพ่อคุณแสดงธรรมต่อพระพักของพระาศาสดาได้พ่อคุณก็จะต้องแสดงธรรมให้โยมฟังได้เหมือนกันแลแล้วอุบาสิกาก็กำหนดวันนิมนต์พระโสณนะแสดงธรรมพระโสนะก็รับนิมนต์ของโยมด้วยความยินดีอุบาสิกาคิดว่าเราจะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ ทำการบูชาแล้วจักฟังธรรมวัาแห่งบุตรของเราดังนี้แล้วพาบริวารทั้งสิ้นให้หญิงคนใช้คนเดียวเท่านั้นอยู่เฝ้าเรือนเวลาที่อุบาสิกากำลังฟังธรรมอยู่นั้นพวกโจรคณะหนึ่งบุกเข้าบ้านของนางเพราะสื่อรู้ว่าอุบาสิกาและบริวารไปฟังธรรมพวกโจรได้ตกลงกัน ให้หัวหน้าโจนไปคุมตัวอุบาสิกาอยู่ห่างๆในที่ฟังธรรมคาดว่าถ้าอุบาสิการู้เรื่องโจนเข้าบ้านแล้วรีบกลับมาจะฆ่าอุบาสิกานั้นเสียพวกโจนจุดไฟให้สว่างภายในเรือนแล้วเปิดประตูห้องที่เก็บกรห h ปณะนะนางทาสีรีบไปบอกอุบาสิกาว่าพวกโจนเข้าบ้านงัดประตูเก็บกรหาปณ ะ, ะได้แล้ว มหาอุบาสิกากล่าวตอบว่าพวกโนจรจงเก็บเอากหาปณะไปทั้งหมดเถิดเราจะฟังธรรมแห่งบุตรของเราเจ้าจะทำอันตรายแห่งการฟังธรรมของเราเจ้าจงกลับไปเรือนเสียเถิดเมื่อพวกโจรเปิดห้องเงินนางทาสีก็ไปบอกอีกคงได้รับคำตอบอย่างเดิมเมื่อโจรเปิดห้องทองก็งเหมือนกันนางทาสีก็ไปบอกอุบาสิกา อุบาสิกาดูเอาว่านางตัวดีมาหาเราบ่อยๆเจ้ายามาอีกโจรต้องการสิ่งใดก็จงขนเอาไปเถิดถ้าเจ้ามาหาเราอีกเราจะลงโทษเจ้านายโจรยืนอยู่ไม่ไกลอุบาสิกานักได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่าถ้าเราดําของหญิงเห็นป่านนี้ไปสายฟ้าเพิ่ตกฟาดกระหม่อมของเราดังนี้แล้ว ได้สั่งให้พวกโจรเอากหาปณ ะ, ะเงินและทองที่ออกมาเก็บไว้ที่เดิมทานว่าธรรมดาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมได้รับการคุ้มครองจากธรรมสมจริงดังพระศาสดาต ร, รัสว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นอานิสง์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติ พวกโจรพากันไปยืนฟังธรรมอยู่ด้วยครายพระโสนะแสดงธรรมคืนยางรุ่งเมื่ออุบาสิกาถามว่านี่อะไรกันจึงเล่าความทั้งปวงให้ทราบอุบาสิกาอดโทษให้พวกโจรบริวารทั้งหลายได้ทำอย่างเดียวกันกับนายโจรพวกโจรกล่าวว่าถ้าท่านอดโทษแก่พวกข้าพเจ้าก็ขอให้อนุญาตให้พวกข้าพเจ้าได้บวชในสำนักแห่งบุตรของท่านเถิด มหาอุบาสิกาจึงกล่าวว่าพ่อคุณพวกโจรเหล่านี้เลื่อมใสในคุณของโยมและธรรมกถาของพ่อคุณขอบรรพชาขอพ่อคุณจงให้บรระชาแก่พวกเขาเถิดพระโสณะให้โจรพวกนั้นบวชแล้วในกรรมฐานต่างๆเป็นพวกพวกไปตามอุปณิสัยภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานแล้วไปสู่ภูเขาลูกหนึ่งนั่งทําสมณธรรมอยู่ใต้ร่มไม้ พระาศาสดาประทับนั่งอยู่ในวัดเชตวันนั่นเองซึ่งไกลถึง120โยชน์ทรงกำหนดพระธรรมเทศนาให้เหมาะสมแก่ปณิสัยแห่งเธอเหล่านั้นแล้วทรงเปล่งพระสีไปประหนึ่งประทับนั่งอยู่เฉพาะหน้าตรัสพระคาถาว่าเมตตาวิหารีโยพิกุเป็นอาทิมีนะยะดังพรนน า, นามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหมดนั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วดีนะ เรื่องนี้ก็ดีใข้อคิดดีมากเห็นไหมอดิสงอาดิสงที่จะพึงได้รับอํานาจของการประพฤติ ธ, ธรรมของพระโสดากุติกันนะนประวัติของท่านนี้น่าประทับใจมากจริงๆริงอันทิไรก็ยังประทับใจท่านในพระสูตรเพราะท่านมีศรัทธามากตึงพระเถระนี่เราจะแสดงเห็นลีลาหรือ การที่จะแสดงธรรมหรือให้ข้อคิดใจคุณบุตรเนี่ยเมื่อคนมีศรัทธามากท่านก็จะเบรกศรัทธาไว้ก่อนเนีเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชานาญในด้านนี้เนี่ยถ้าคนศรัทธามามากมากมักจะเบรกก่อนไม่รับทีเดียวเนี่ยอย่าโอ้อยากบวชมากอยากบวชแลเออเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆบอกว่าอยู่ดูก่อนศึกษาดูก่อนอะไรทํานองนี้นี่ก็เหมือนกันเนี่ ยิ่งพูดความลําบากให้ท่านฟังท่านยิ่งอยากจะบวชนี่ก็เป็นอุปนิสัยที่สั่งสมมาเนี่ยพระกัจจายนะหรือเราเรียกว่าพระมหากัจจายนะนั่นแหละเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านสอนท่านอยู่ในปัจจันตชนบทหรือปัจจันตประเทศเนี่ยที่หาพระได้ยากเนี่ยด้วยศรัทธาของท่านด้วยความอดทนของท่านนี่ บวชเป็นสามเณรแล้วเนี่ยอยู่สามปีถึงได้บวชเนี่ยเพราะพระไม่ครบหาพระเพราะสมัยก่อนนะครับว่าพระต้องที่จะบวชได้อย่างน้อยต้องสิบรูปขึ้นไปเนี่ยแต่ที่นั่นมันเป็นที่ชนบทปลายแดนเนี่ยกว่าจะหาได้พระสิบรูปนี้ตั้งสามปีเลยนะเป็นเราก็เลิกแล้วน้องไม่ได้บวชนะพระไม่ได้เนี่ยท่านก็ทนอยู่ได้เนี่ยเมื่อได้บวชแล้วเนี่ยท่านก็เลยอยากเข้าไปเฝ้าพระเจ้านะ ก็กราบลาคือเลื่อมใสในพระพุทธองค์มากอยากเข้าไปฝ้าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อได้โอกาสอย่างนี้อุปชาคือพระมหากาจยานะก็เลยให้ไปขอพอรดังที่เราได้ฟังเนี่ยคืพอพรขอ้อข้อแรกก็คือนะบอกว่าในชนบทปลายแดนขอให้พระองค์ทรงอนุญาตเนี่ยภิกษุปัญจวัคเร์เนี่ยคว่าปัญจวัคคือภิกษุห้า เดี๋ยวห้ารูปขอให้อุปสมบทกุลบุตรผู้มีศรัทธาได้ก็แล้วกันเ พ, พราะพระพิสุหายากนะในที่นั้นน่ยมันแห้งแล้งเป็นที่เป็นหน้าแล้งเป็นที่ขุกขะนะียถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นดินเหนียวดินที่เขาทำนาดินเน่เดียวเวลาแห้งมาโอ้ยมันเดินเท้าเปล่ามันเจ็บมากเลยมันคมมันเป็นปุ่มเป็นปมนเะนี่ยบอกว่าให้พระองค์ทรงอนุญาตรองเท้านะสองชั้นสามชั้นเถิดเนะี่ยอย่างนี้เป็นต้นรือ ในที่นั้นน้ำมันหาไม่ยากเนะี่ยอากาศก็ร้อนเนะี่ยพระองค์ก็ท่งควรอนุญาตให้อาบน้ำได้เป็นนิดเซึ่งธรรมดาแล้วเนะี่ยพระองค์ทรงบัญญัติในส้าวันถึงอาบน้ำได้ครั้งหนึ่งในอินเดียแสดงว่าน้ำหายากนะอินเดียสมัยโน้นนะโอ้ยถ้าเดียวเดีก็ตายเลยเนาะ15วันเนี่ยนี่ก็เลยพระองค์ก็ท่งให้ผ่อนแม้การขอที่นั่ง ที่ทำด้วยหนังสัตว์หรือทำด้วยอะไรก็แล้วเป็นของหาง่ายนีย่แต่ก่อนพระองค์ทรงบัญญัติห้ามจัดนั้นในมัชชิมาประเทศนี่พระองค์ก็ยังทรงบัญญัติห้ามไว้อยู่แต่ปัจจันตประเทศก็คือประเทศรอบนอกนี่ก็เลยท่งอนุญาตเป็นพิเศษนี่นี่เป็นลักษณะของพระสนณกุติกันนะแล้วแล้วก็ได้สิทธิพิเศษพระองค์ให้พักอยู่ในกุติในพระันะกุฏีของพระองค์เลย แล้วให้สาธยายทำให้ฟังอีกต่างหากเลยเทวดาทั้งหลายก็เลย้ยินดีพอใจเนี่ยบานดาอยู่ไกลถึงร5 0ยห้าสิโยชนี่ก็ได้รู้เรื่องเพราะเทพเทวาทั้งหลายเนี่ยได้สาธุ ก, การ เ, เลยกษัตริย์อยากจะฟังธรรมของพระลูกชายเนี่ก็เลยหาวิธีมาฟังธรรมดังที่เราได้ฟังเนี่ยสุดท้ายก็ เรื่องราวก็เกี่ยวข้องไปหาโจรโจรก็จะไปผลสุดท้ายโปรยโจรในอีกอก็นายคิดนะในเรื่อว่าเป็นราบหรือเป็นบุญยาลาบอย่างมหาศาลนี่แต่ก็คิดอีกอันหนึ่งก็คือนางนี่มีอุปนิสัยปัจจัยไม่ได้ห่วงสมบัติเลยเนี่ยเอคนใช้ไปรายงานอบอบกว่าไม่ต้องมารายงานโจรอยากได้เลยเอาไปเถอะอย่ามาทําลายการฟังธรรมของฉันเลยถ้าจะฟังธรรมจากพระลูกชายของฉันฉนี่ก็หายธรรมมาก มาบอกครั้งที่สองที่สามต่อเพิ่อด้ครูจะลงโทษจะอีกต่างหากเนี่ยโจรที่จะเอาไปโจรก็มีหน่วยสอดแนมมาฟังโอ้ยมันอัศจรรย์เนี่ยถ้าเราทำกับคนลักษณะนี้ตายเลยแล้วเราไม่มีความเจริญแน่นี่จะเกิดความชิบหายแน่ศรีรษะของเราแตกเป็นเจ็ดเสียงแน่เนี่ยทำให้เกิดความสำนึกขึ้นมาโอยพอใจเรียกว่าโจรก็ยังเลื่อมใสในจิตใจเลยทรัพสมบัติต่างๆนี่ไม่ได้ห่วงเลย ซึ่งมันผิดวิสัยของคนทั่วไปเนี่ยยอมเสียสละยักเอาอะลรเอาไปเถอะเอาทั้งหมดเอาอะไรก็เอาไปเถอะอย่ามาทำลายการฟังธรรมก็แล้วกันเนี่าน่นั้นแหละเปลี่ยนใจได้หมดนั่นก็คือความอัศจรรย์ของธรรมนี่ก็เป็นข้อคิดที่น่าคิด อยังธรรมกถาสาทยสมันเตหิสันละเคตปาติ